ไม่ว่าอยู่ในเอเรียบทใดเช่นขณะที่กําลังถูฟันมันก็มีความคิดเรื่องงานขณะที่กําลังอาบน้ําก็รู้สึกห่วงกังวลงานการที่ค้างค้านงะลูกหลานที่เจ็บป่วยก็เห็นมันซะขณะที่กําลังถูฟันขณะที่กําลังอาบน้ำเนี่ยมันกจ็จะมีสตินะไปเห็นความคิด ที่เพลอที่ฟุ้งขึ้นมาได้แล้วพอเห็นแล้วก็จะวางใจเราก็จะกลับมาอยู่กับการทำอิริยาบถนั้นๆเรียก ว, ว่าใจนะรับรู้กับอิริยาบถนั้นเต็มร้อยนะไม่ใช่ครึค่งๆกลางๆทำอะไรก็ให้มีสติเห็นอาการหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจรวมทัง้งความคิดนะอยู่เนืองเนือง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 แต่การเป็นผู้ปวยต่างหากที่มาลงโทษเรานะเห็นความปวดซะนะอันนี้แหละก็คือความหมายขอคําว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะมีความปวดเกิดขึ้นก็ไม่เป็นมันไม่เข้าไปเป็นมันนะคือไม่คข้าไปเป็นผู้ปวดก็แค่เห็นมันเฉยๆนะอันนี้รวมถึงความสุขด้วยนะอารมณ์ที่เป็นบวกเนี่ยนะเราก็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 ในที่ต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเลยต่างประเทศด้วยแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งเนื้อแต่งตัวโดวยเพราะการหวีผมนี่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องนะผมเเพ้วเท่าไหร่เวลาจะไปทำงานนะภรรยาก็มักจะทวงให้หวีผมให้เรียบร้อยก็เป็นอย่างนี้อยู่ บ, บ่อยๆวันหนึ่งจะออกไปทำงานภรรยาก็ทวงอีกว่าให้หวีผมให้เรียบร้อยจะฉุนขึ้นมาในใจเลยนะ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 ได้รับสมณศักดิ์ที่สูงมากคือเป็นสมเด็จนะข่าหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปไปเทศที่วัดแห่งหนึ่งวันนี้ก็อยู่ไกลนะอยู่แถวเนี่ยราชบูรณะวัดทัานอยู่วัดะระฆังเนี่ยจะไปก็ต้องนั่งเรือนะสมัยก่อนนี่ต้องอาศัยเรือเป็นพานหนะในการสัญจรเพราะคนเนี่ยชอบอยู่ริมน้ําบ้านบ้านเรือนวัดวาร้านก็อยู่ริมริมน้ําริมคลอง ท่านกนา็ไปอย่างเป็นพิธีเลยนะก็คือมีพัดยศ ด, ด้วยแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยพ า, ายเหลือเข้าไปในคลองมะกอกน้อยแต่ช่วงนั้ามันน้ำลดแล้วก็คงเป็นช่วงหน้าแรงด้วยน้ำก็เลยตื้นมากภายไปเสื้าผ้าก็ติดเกยตื้นก็ลูกศิษย์ว่าก็เลยลงไปเข็นเรือเข็นไม่ค่อยไปหลวงพ่อโตก็เลยลงมาเข็นเขาด้วย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 เพื่อเงินในกระเป๋ายอมตายเพื่อโทรศัพท์ไอโฟนนะอันนี้แสดงว่าอะไรเราเป็นของมันหรือว่าเรารือมันเป็นของเรายอมตายเพื่อมันเนี่ยนะก็แสดงว่าเราเป็นของมันแล้วนะไม่ใช่เราเป็นเจ้าของมันเราเป็นของมันต่างหากหรือถึงแม้จะยังไม่มีแคลไปนะแต่ว่าพอมันเสื่อมพอมันเสียไปก็กุ้มหักุ้มใจนะ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 จ้วงจับพระรัตนตรัยจ้วงจับครูบาอาจารย์จ่วงจับาจาจจพ่อแม่เขาก็พยายามกดข่มมันนะแต่มันก็ไม่หายยิ่งเกิดที่ขึ้นจนกระทั่งเขาสึกแย่ว่าทำไมเราจึงมีความคิดชั่วร้ายแบบนั้ น, นอาการแบบนี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ชอบนะเป็นคนธรมธรมธโมนะเป็นคนใฝ่ดี